ก้าวต่อไปของคุณอาจจะพลาดก็ได้ให้วางแผนดีแค่ไหนก็มีสิทธิพลาดกันทั้งนั้นถ้าไม่ออกก้าวเองเลยคุณจะไม่สะดุดพลาดล้มเลยแต่คุณก็จะไม่มีวันก้าวผ่านสำเร็จด้วยถ้าเอาแต่ขี่หลังคนอื่นไม่เคยก้าวเดินด้วยแข้งขาตัวเองแข้งขาของคุณจะอ่อนเปียก ใจจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวการก้าวเดินแค่นึกว่าอาจสะดุดพลาดล้มได้แข้งขาก็สั่นเกินทนแล้วถ้าเคยสะดุดพลาดล้มมาร้อยครั้งแล้วลุกขึ้นใหม่ได้เองทั้งร้อยครั้งติดกันร้อยครั้งที่ล้มแล้วลุกนั้นจะฝึกขาให้แข็งผิดปกติทําให้ใจด้านชาไม่กลัวเลยที่จะต้องพลาดล้มอีกเพราะเชื่อมั่นว่าตัวเอง เกิดมาเพื่อล้มแล้วลุกท่าเดียวถ้าคุณเคยก้าวผ่านสําเร็จมาร้อยครั้งไม่เคยสะดุดพลาดล้มกับใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวร้อยครั้งที่ก้าวผ่านสําเร็จนั้นจะก่อให้เกิดอัตตาเป็นพิษเพราะเชื่อมันผิดปกติแข็งทึบอย่างไม่เป็นธรรมชาติถ้าพลาดขึ้นมาก็ต้องดิ้นราเจ็บปวดจะเป็นจะตายเพราะความเชื่อมัน่น ล้มละลายหายสูญะนิดยากจะกลับฟื้นคืนมาใหม่ถ้าเคยสะดุดพลาดล้มบ้างก้าวผ่านสำเร็จบ้างลุกขึ้นเองไหวบ้างต้องให้คนอื่นชุดดึงบ้างคุณจะกละ้า ก, กล้าบกุกลัวกับก้าวต่อไปและนั่นก็คือคนปกติกับอารมณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นได้คุณจะกลัวมากกว่ากล้า ถ้ามีเวลาเตรียมตัวน้อยหรือคาดหวังสูงเกินไปคุณจะกล้ามากกว่ากลัวถ้าวางแผนดีและเผื่อใจรับความไม่แน่นอนเอาไว้บ้างบันไดขั้นแรกสู่ความสุขที่แท้ไม่จะเริ่มจากการไปทำบุญที่วัดแต่นับจากการเลิกทำบาปที่บ้านผู้มีกําลังใจที่แท้ คือผู้ไม่แพ้กำลังบาปผู้อดทนต้านทานกำลังบาปได้ชื่อว่าเหียนสร้างกำลังบุญยิ่งสร้างกำลังบุญมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งได้กำลังใจมากขึ้นเท่านั้นความเคยชินในการสร้างบาปคือการยอมใจอ่อนคือการสมัครใจพ่ายแพ้ต่อพลังดึงดูดลงต่ำ เมื่อสะสมความเคยชินมากแล้วตกต่ำลงลึกแล้วจึงมักทำให้เกิดความรู้สึกท้อถอยไม่อยากห้ามใจไม่เหลือกํำลังใจตะเกียจตะกายป่ายปีนขึ้นสูงกันอีกผู้ฝึกห้ามใจจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้พยายามป่ายปีนให้พ้นปากเหวเป็นผู้เกียรเอาชนะบาปเวรอันหาได้ยากบางเรื่อง เหมือนเป็นไปไม่ได้หรือยากเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะห้ามใจแต่เมื่อใครมีความแน่วแน่พอที่จะห้ามใจย่อมได้ชื่อว่าทาในสิ่งที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้ผลดีที่เกิดขึ้นในภายหลังจึงเหมือนไม่น่าเป็นไปได้เช่นกันทุกชีวิตมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานเมื่อใจเลือกที่จะต้านบาป ย่อมมีกำลังในทางสว่างเพิ่มขึ้นทุกทีแต่เมื่อใจเลือกที่จะตามบาปย่อมอ่อนเปลียยเรลียแรงเกินกว่าจะลุกขึ้นทำอะไรดีๆได้ไหวภาพประกอบผู้ชายคนหนึ่งพูดว่ามันกวนโอยเหลือเกินอยากตีหัวคนที่วัดจริงๆพับผ่าเถอะเสียงตอบกลับมาว่า พกเชื้อบาปจากที่บ้านไปทำบุญที่วัดก็ได้ผลอย่างนี้แหละ